ทำ็นตาังวิตแท่อ่เขาแกรนแอนั้งนนคนงตาาัตวนี้และทกเสียอย่างนะเกิดจากใครมาเนเกิดจากข้างนอกือเก มันจะก็บเงินไ ด, ดเ้เกิเงนหลวงมันจะเกิดขึ้นจากใของเรานักฝนทางว้เศษมันจะเกิดขึ้นจากจอีกหนึันั้นอา ก, การะดลงทานเ็กระดังสีเงนเกิดจะ็กระดังสีอื่นทุกคนมือโหลดกงินหลวงจุดกัตามตัวเหรื่อย การหสตัเองในรับาเือ้าวยาวเลยิใจในามโลากาลงปนาด้งละเรื่องของาโลาความหลงแล้วเรื่องความสุขความสบายความเย็นหเห็นหเดะความยากความลบากดไป เพะธรรมะจึงเป็นเรื่องการฟังจัดการโลกการเกิดการหลงของใจการฟางธรรมะขอให้ทุกคนตั้งใจเป็นประจุบันอย่าคิดไปในอดีตที่ผ่านมาแล้วเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่าคิดไปในอนาคตที่ยังไม่ถึงเราอย่าหลในเรื่องปัจจุบันที่คิดไปอย่างนี่ไหมอย่าันอะไร หนึ่งกำหนดจิตใจทังตัวหรือในอดในทันจะเป็นเรื่องบริกรรมก็ทำมือมั่งแต่ทบริกรรมขวั้จะเป็นเรื่องที่กาจัดอารมณ์ต่างๆต่างนานาให้ตกไปถึงอารมณ์จะเกิดขึ้นหรืามมาอผ่านมาจะไปติดตามโยกข้องหนึ่บริกรรมดูอย่างนั้น จนจิตได้รับคามสงบลังเลหรือนอย่างนั้นที่ยังไม่ถึงคามสงบลังเลคับริกรรมอันนั้นกับจิตให้สัมผัสกันอยู่ทิศระยะเวลาในจิตไปเชียเ่ยวข้งกับต้นยาไรนอกมาเป็นอย่างนั้นจิตจะไปรับความสงบเลี้ยงเรียนได้ถึง่ลีงเรียนเพิยงขั้น แต่เราโก่งเขี้ยใจแต่เราเดกจิดตาเส้นยาอารมณ์หมอกไปแต่เราตั้งใจอยอูอ่กับคำบริการท์ั้งสั้นแต่อย่างนั้นจะพิจารณาอะไรละภาพขันโตาหน้าตาา่ต า, า, ต า, งางตาพิจารณาตาราพเปนจริงข้ า, า, างในอย่าไปเล้งเหลใส่ฝังตางสมมติของโลก เมื่อเราพิารณาอยู่ในอะไรวร่างกายทั้งเราด้วยความเป็นเสียงจิตใจจเห็นเกิดปวดท้องเรัในเรื่องที่ติดขัดเถิดเพลินหลงหลงจาเป็นของเสียวสดงงานจาเป็นของเี่ยงเป็นของแหนเน่าต่างๆนี่คือทาง ทางจิตของตนให้เข้าถึงธรรมถ้าหากเราเนี่ยกำหนดในทราจะให้มันเต็นไปเองเป็นไปไม่ได้จิตใจของคนั้งฝับเถื่อนใจเป็นอย่างนั้นมันจะตันตัดถ้าหากในฝึกปฏิบัติความกางงานถึงจะแกขนาดไหนนั่นก็ให้กลางานในได้ให้มันในฝึกจร เรือจะเอาใส่เปลียนต้องสึกเยอะก่อนทางฝึกแฉว่าใส่คือเดียวซึ่งหล่าเอือเรือตัวนั้นมันแก่แล้วคงจะเป็นเกลียนเกลียนเกลียนได้ใส่เขาแล้วก็ไม่เป็นไปให้จิตใจคนเเราแข็งกับทาเดียวกันงไม่แก่ไปขีเหลวไปหาก็ตกไปหลดไปมันม่อย่างนั้นทำงานจิตใจง มนดษยเถ่อไปยิ่งแฉอเทไลเสมือนหลุดเบื่อแะเทไายิ่งยิ่งใครจะเอามาเป็นมายแจงงายนุ่งอะไรจริงไม่ได้เบือเทลแฉะถึงขเข้ามานมีแฉะเป้นแฉะใหญ่แฉะรับทางไม่ได้จิตใจของคนแกะถี่มือสัญญาอารมณ์มาบื่สุด หลักการทางธรรมของธเดียวกันย่งคิดติดข้องในสมบัติทัศฐานในรูปในล้านในบ้านในช่องทุกสิ่งทุกอย่างยึอยู่ตลอดเวลานนนนการนั่งจานอนก็ย่งทั้งๆคือเมื่อด้กไปทำอะไรก็ยึดอยู่ใ น, ในใจก็คิดนี่การมาบสึกจิตเป็นอย่างนี้แต่ไมนมีคุนค่าไม่มา ประโยชอะไรยิงแกจะยิงหาาะอะไรในได้ยิงแกจะยงหาคุณค่านได้ความจริงธรรมะในใจนักเป็นไปแบบนั้นโดยส่วนใหญ่จึงบนอย่างนั้นบนมอย่างนี้เพราะการไม่มีความสุขภายในใจขงสนแต่แกที่นี้อาจมีทางมีสีมีทางมีเท่านานเป็นอย่างนั้น แกอเทไรยืนมคุ้ค่คาแก่เทไรยืนมีราคาเช่นคืออาจารย์ผู้ท่านเคยอรมสึกเต๋อทั้งขันมายืนอ า, จจ า, ายุแก่เทไรใจทั้งขันกะยืนหือยืนหรือเสดสึกคนแต่าวเซเถื่อเต๋เลื่อนสายรัทธาเพราะท่นคุณธรรมในใจขังขันคุณธรร เป็นของขาทานะเป็นของทุกคนที่จะควรแสหาศึกษาให้จิตใจทังตนได้รับนักผลธรรมวิสุทธ์ึกด้าเอเวนได้ในว่ายืมในว่าใชาเพราะในสมัยพุทธการก็เคยมีเจอรีปรับก็ะมน่ำจนฝึกยืมฝึกเอเรนตัวั้งขา ใจจับอยู่ทชนเป็นอริยเจ้าเป็นสังนะของโลกด้อย่าง๋นี้แตู่ืชายถ่ายเดียวคือหญิงก็ฝึกได้ก็คือเหลืปัญหาคือเดียวสังหญิงชายเป็นภาษาสมมตจิตใจเมื่อศึกบรวมเข้าสู่ขั้นสงบมีความฝึกความสบายมีสมาธิสมาบักภายในใจสงบเสียแล้วไม่มีหญิงไม่มีชาย เมื่อจากตายอันนั้นตายแท้จาก็ะเกิดเป็นพรรมพรหมนี้มีหญิงมีชาเพร้ะใจมีสมาธิสมาบัติหนักแน่ในเชี่ยวขั้นเจ็บดื้อในการเรีนแต่งต่างมีการเสกจิตเมื่อเธอสกขั้นจเป็นอันเดียวกันในว่าเท้าว่าในว่าตารประชิดในผิดแกะต่งอะไรกันการเสกจิต คืออาจารย์ทุกท่านก็เคยแม่สอนศึกเรานะพอสมควรคุอยู้สนใจอป ใ, ในสำนัต่างๆโ ด, ดยเสียงใด่ทางกรมฐานคืออาจารย์ทงแม่สอนด้านภาวนาด้านศึกจิตเป็นเสียงใหเพราะการศึกจิตมีคุณค่ามีสาระมีอนุสง แม่กวีนถั่วไป่จิตเป็นสิ่งสำคัญที่นักลกล่าในพระพุทธเจ้าเป็นต้นสังจละเสงน่าเป็นของมือคุณค่าสาระยิ่งกว่าสิ่งอื่นหมดทั้งโลกหากจิตใจของคนใดได้สึกอบรมแด้รับการสมงบสึกภายในใจทั้งเสียแล้วคนนั้นมีคุณค่าสาระมาก เฉาะตัวของท่านเคยคิดขวางเสื่อมเคยคิดเปล่งเืองไปในเรื่องต่างๆข่านหักห้ามเอาได้ห่าหละ่านวางท่าอตัดทึ้งเปลี่ยทิ้ในเชิงสาระแต่โยต์สำหรับตัวข้งท่งนเลิกเกิดหลงหมดไปภายในจิตใจสว่างใสใจเยืกใจเย็นใจรู้ใจเห็น สิ่งที่อัศจรรย์วิเศษี่เวกที่ิคยมาลบเทียงจิตใจหมดไปสุดไปไม่มีอะไรคือเหลือเหรอเพราะอำนาจสติเพราะอำนาจปัญญาสาาฟันแถลเปรี้ยวสิ่งไรนั้นให้หายไปจากใจทั้งท่านความเพียรถือทักษิณาเจ้าทรงสละเสง่ยก็คือความมีสติ มีปัญญาจะนั Panda, petits, mm ่งจะภาวนาจะเดินจงจบโดยอยู่อิเลเดดใดมีสติแต่จำตัวการทำการพูดการคิดทุกอย่างไม่เผลอสติมีปัญญาสอนสอนที่มิตนะสิ่งผิดควรละสิ่งผิดควรบำเพ็ญโดยสม่ำเสมอนี่ หมายถึงผู้ทีตั birthday, ้งหน้าประที่บักแน่ใจสติปัญญาให้หายไปจากใจทั้งข้างเมื่อมีสติมีปัญญาไปจังดีอย่างนั้นอารมณ์ปัญญาจึงจะจ่ายตังเกิดมาก็ทราบได้เหมือนนายามเข้าประตูคนดีคนเชื่อที่จะเข้าประตูมาเห็นหน้าเห็นตาของเขา จะให้เท่าหรือจะถักดันออกห่างกันไว้ก็เป็นเรื่องของนายปฏินายยามจะพิจกรณาอนุญาตขั้มใดจิตใจของพวกเราท่างหากมีสติไปจำหรื อ, มนะ อ, นนอมสมัคเสมอสัญญาอารมสั้งฐานที่เกิดขึ้นเพิ่ขึ้นภายในใจทราบได้ว่าอันนี้ เนทางดีหรือทางเชื่อเป็นทางสืบสนหรืออาจสืสนเครื่องที่จะให้จิตเกี่ยวข้องสังคมหรือเครื่ที่จะตัดเต่าออกไปนี่คือสติคือปัญญาของสื่อทาความเพียมมีประจันดีที่ระยะทีกเวลาสืานานสา่อสภาวนามีสติมีปัญญาเห็นจริงอยากางเพียม คือเพียงและเพียงบำเพ็ญพียงที่เพีและก็หมายถึงความชั่วสิ่งที่ เ, เ, เาําเยบงบเพ็ญก็หมายถึงความดีดังนั้นในทางปริยัติตำลับตำลาศาสน า, าท่านจึงว่าประทางความเพียงส <c oughs> ี่อย่า ง, ง, ง, ง, างาสิ่งนต่เสียเอาไว้สังวรละประทางเพียงระวังห้ามกั้ง ความเชื่อเกิดขึ้นภายในตัวคือภายในจิตในใจข อ, องตัวเองความคิดงตใจกะทำเชื่อวาจาจะเกิดเชื่อออกไกล จ, จ, จ, จากใจก่อนถ้าใจในคิดใจในฟังใจในสามารถที่จะไปทำอะไรได้วาใจาใ่สามารถคือจะดูดา่าว่าตา่ อ, อะไรันะ่้ มันเกิดขึ้นจากใจเ็ต่อตัวเมน่อมีสติรักษาใจอารีณนส้นญาฝ่ายตั้ง่ายอาจทำเสื่ทุดเข้าใจว่าสิ่งนี้คนสิ่งที่ไม่ดีเมื่อพูดไปทําไปจะให้เทิดดืปตับเต่าทึ้งเชื้อในจุดตามห้ามตั้งท้ามเชื่อเถื่อไปอย่างนั้นไม่ใ้เข้ามา แยกฟองกับจิตใจแยกอยงสังวรัตตาทางคือสังวรระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งตัวเห็นได้ยินได้กิ่นยื่นรสตัมผัทุกสิ่งทุกอ่างไม่ได้หลงไม่ได้หลงตัวใ่ความเชื่อแยก่องระวังรักษาอยู่ตลอดเวลา ในใจรายาจใจเกี่ยวข้องกับความเชื่อปต่หางจะทางความเชื่อที่นี้อยู่ภายในซึ่งเป็นมิจฉาหรืออุตมิจฉาหน้าเก่าเกอะในใจมันคิดภายในจิตในใจทั้งตัวถ้าสติดีสติแก้าสาหน้าจะเห็นจังขานจุดเป็นสุขภายใน อยู่ทุกระยะทุกเวลาทำให้ตึงขึ้นคิบขึ้นในสิ่งที่ชั่วประหัตประหารค่ามเชียต่อยมันเชียอย่ายไปเก็บกรรมเอาไว้ความเชื่อภายในใจนงนั้นหรืออยากประหารประานธรราะความเชื่อที่มีอยู่ในตัวให้หมดไปความเชื่อซึ่งจะจอนเข้ามาจากภายนอก ระวังรักษาเาไว้เดี๋ยวังวรรัประทานความเชื่อภายในป ร, ประหารปหารไปเมื่อความเชื่อภายนอกไม่มีโอกาสเข้ามาความเชื่อภายในทําล่าสั่งาาไปความเชื่อที่มีอยู่กว่านหน้วาวันเวลาถกว่าเบาบางหรือหมดไปเหมือนน้ำใ น, ำนำตุ่ม้นหอยเราตักให้เลื่อยไปเนี่ยเอามาเพิ่มเติมมันก็มีเวลาโอกาสที่จะหมดถ้าหากเราเพิ่มเติมอเรื่อย มันจะไม่หมดเพราะมันจะหมดเปิดสต็อให้ไหลเท่ามักจะไม่หมดเพราะเราล่อยมันเข้ามีความเชื่อในกายในใจของเราก็ทํานองเดียวกันถ้าเราห้ามกั้นเดี๋ยสังวาลป์ต่อทานระวังรักษาในความเชื่อทั่วไปภาเกี่ยวข้องกายใจของเราความเชื่อที่มีอยู่ ส, สังละละแสงออกไปใ ห, หมด ตัวการเพียนในการล้กเชื่อภาวนาประทานจะทำบาเพ็ญคุณงามความดีสิ่งที่จะเป็นสารประโยชน์แต่ตัวองตั อ, ตอและประเสศชางเมื่อเราทำเราพูดเราคิดอะไรออกไปสิ่งนี้ถ้าหากเขาทำต่อเราเราจะ ม, มีการเสียใจยดีใจ ในสิ่งที่เราทํำอย่างนั้นคนอื่นมาทำกับเราเราดีใจเราทํากับเขาเขาก็ดีใจเหมางนั้นนี่คือความดีที่ควรทำทางโลกความดีที่ควรทำทางธรรมทางใจหมายถึงอัตธรรมที่เราที่นี้ทีเจรณาภายใน เพื่อทางแก้ไขสรรมะใจทั้งตัวให้เบสบายคิดไปเกิดความส่อสายคิดไปเกิดความตื่นใจในความดีทั้งตัวคิดไปเท่าไรยื่งเป็นเรื่องแก้ไขเรื่องสรรมะไม่ใช่เป็นเรื่องก่อตัวที่เลดปัญหา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 สิ่งนิดหน่อยตกไปหาสิ่งใหน่ที่เป็นคนณ่าสาระในทางธรรมเพิ่มพลีพลุนขึ้นจานวนมากขึ้นจิตใจต่้รับความชื้นชื่นได้รับความเบิกบานได้รับความอัศจรรย์เพราะการขวัญขวายทำความดีภายใน เดิมดตนมันเผลอคิดเต็นอย่างนั่นอย่างนี้เรากาหนดอะไรเพื่อว่ามันเถอไปจะตั้งใหม่ใด้ได้มากกว่านั้นไม่เผลอเผลอที่สุดแต่ระยะที่เดินเป็นกระถางหยุดในนี้เถอหนังภาวนาระยะสี่ชั่วโมงกี่นาทีเผลอเล็ดเผลอ ก็นัง่งเพิ่มขึ้นอีกไม่ได้นานกว่านั้นจิตใจจะ ใ, นในหนใ้ตั้งนั่งม่อกในธรรมในต่อไปตามสัญญาอารมณ์ในธรรม จ, ะจะักรวาทธรรมทำโดยเอาใจใส่โดยการรักษาจิตใจจริงจังจนเห็นผลในการกระทาของตนเกิดอัศจรรย์ในอกในธรรมที่ยังไม่เคยหรือเคยเห็น เด่นทัดในจิตในใจนี่คือการภาวนาประานต่างงความดีต่างสติปัญญาในแก่ตัวของตัวอนี้ลัคนาประทานรักษาความดีทุกด้านที่เปนขอดีเอาไว้ไม่ให้เสื่อมไม่ให้ตกไปโดยง่ายบายรักษาให้คงเส้นคงวา ในความดีเส้นเตอรในความเชื่อในเกี่ยวข้องในเรื่องของความเพียรถ้าจิตใจเป็นไปในความเพียรแล้วคนนั้นจะมีทางถึงจุดเหนื่อหนายจะมีทางอ่นมีทางเต็มถ้าจิตใจดาเนินไปถูกต้อง ระยะที่ยังลอื่นมันก็ยังติดยังคิดยังฟังในความดูอยู่เมื่อมันฟังติดอ่นติดพอของมันลาเองนจะทราบจะเข้าใจแต่มันพออย่างไรเมื่อมันพอมันจะเป็นลิมิเพื่อความลุดออกไปจากความดีความชั่วต่างๆใน ม, มีอะไรที่จะไปเกี่ยวเกาะ กับความบาริสุทธิ์นั้นความบริสุทิ์นั้นจะไม่มีอะไรสงสัยถึงไม่มีใครเห็นเดือดตัวเองตัเห็นเข้าใจชัดเจนว่าอันนี้ไม่มีทางที่จะบำเท็ญจะละอีกจนความบริสุทธิ์ที่ไม่ครรู้เคยเห็นมาก่อนความเ ย, มายียวยงจิตใจเป็นสมาธิสมาบัติรวมๆละเอียด แน่แม่ขนาดไหนนั่นมันเป็นทางดำเนินของใจในใจความบริสุทธิ exist. ์แต่ความบริสุทธิ์นี้ใน่ได้เป็นอย่างนั้นจึงไม่มีทางสงสัยในใจของตัวเองว่าเราจะควรบำเพ็ญอีกอย่างไรเป็นละอะไรต่อไปนั้นหมดสงสัยเนทําตปฏิจจตังเฉพาะท่านผู้จะทําบำเท็จะเห็นจะรู้ในตัวเอง ถึงขั้นนั้นไม่มีสมมติไม่มีจิริยาไม่มีอะไรที่จะสงสัยเป็นอันจบในตารละการบาเพ็ญของตนทางปริยัติทางเดียกแบบจบพ้นนะจ๊ะในมีอะไรจะเป็นจิตสำคัญยี่งกว่าการละการถอนที่เลือเมอไปถึงที่ สิทจิหมายแล้วไม่มีอะไรที่จะฝึก์จะสบายจะเยือกเย็นจะเพียงพอจะสมบูรณ์เข้ากับจิตจิตบริสุทธิ์จิตสองย่างนั้นท่านจึงอยู่เป็นสิกธิสงบทุกการทุกเวลาถึงสังฐานสัญญาจะมีอยู่เหมือนพวกเราธรรมดาแต่ท่านก็เห็นกูว่าอันนี้เป็นสมมติอันนี้เป็นสังขารเมื่อยังนีห่ังใจอยู่เมื่ไร จะแามันไปตามสมมุดของโลกเมื่อตายไปจะหลายเมื่อไรเป็นที่เลยเต็มไปตามทั้งฐานคืออะไรท่างท้าบเราจะไปก่อภพก่อชาติอีกไหมท่านทราบได้อะไรมันจะไปก่อเกิดก่อตายอีกความบริสุทธิ์นี้จะไปอยู่ที่ไหนท่านจะทราบอีกมุดฐางของท่านจึงมีอยู่ทุกการทุกเวลาทุกสถานที่ เะจิตของท่นบริสุทธิเป็นลีนิไม่ต้องไหลเข้าไม่ต้องไหออกนี่คือความบริสุทธิของใจความบริสุทธส่วนนั้นจะเต็มไปได้ก็อาศัยความขาดความเสียงคือสังวรละแตทานการต้องบอลเล่าลางในความเชื่อคอยมาเกี่ยวข้องกายใจทั้งตัอาตาหันแววนนนตารรทามสนะความเชื่อที่มีอยู่แล้ว ให่หมดไปภาวนาประาทา น, านพยายามสร้างพลความดีถึงเป็นอาจเป็นทำให้เสิ็ขึ้นอ น, น้รักษนาประธานรักษาความดีที่มีอยู่แล้วไม่เสื่อน่เสีเยไปเป็นจุดใจอื่นตัวพาตัวจะเป็นมีมุตเมื่อยังไม่เป็นมีมุตก็ต้องตั้งหน้าทาเรื่อยไป เรื่องธรรมะของพระพุทธเจ้ามันมีอยู่นอกกาหนอกใจของพวกเราพระพุทเจ้าเองท่าน ย, นยืท่านเหวี่งท่กอดทเจานะหยุดหายในสิ่งานี้คือมีอาจารย์ที่ไหนสอนท่านต้องาหนดลมต้องท่านก่อนที่จิตจะสงบเคยฝึกเคยปฏิบัตเรื่องอาตากิริยาต่าง เนอดนอนผ่อนอาหารพะมาณกายทำทุกการกิริยาแต่เมื่อเวลานากำหดนดลมหายใจเข้าออกไม่ให้จิตคิดเพ่งไปเสี่ยงอื่นกำหนดอยู่อย่างนั้นเนจิตสงบเรียนลงเป็นหนึ่งก็ทราบดีว่าการกำหนดภายในเป็นทางที่จะแก้ไขจิตใจ คือเมียนเรื่องได้แต่จนด้หมดเรื่อยไปเจริญใเรือนเกิดความรู้เกิดยันขึ้นเบื้องต้นก็ขอถอนมาเกิดพิจารณาได้เรื่อยไปในสิ่งต่างๆปฏัญาการที่เกิดแก่เกิดตายพบขาดต่างเจริญไปถึงเป็น ของอาวิชาคือจิตที่เลื่อนหลงจิดข้อถอดถอนทำนี้จนเข่าหัตาของมันออกได้มันก็หายัสงใสใจอันเดียวเท่านั้นที่ไปดีไปช่วแต่ใจเรื่องอื่นตายเพียงแต่เรื่อง นอกหากใจดีมีธรรมเรื่องของกายนั่งจะเนจนไปตายหากใจในดีในมีอักธรรกายนั่งจะทำเชื่อวายาจาั่งจก็สดเชื่อไปได้น า, านตัดการดังนั้นการตั้งใจการปฏิบัติใจจึงเป็นเรื่องสำคัญหาก่นเอาจริงเอาจริงในช้าน่าที่จะเห็นจะเ็นได้ สำหรับเราตัวตัเป็นมดใส่ยแบบทางทางธนะรรมะแต่กล่าวะทุขขะปฏิปทาทันทากิยาคือปฏิบัติยากืน้าในใจสุกขปะปฏิปทาคิต า, าทันยากินยาว น, น, น, นั้นเพียงได้ยินแด้ฟังยืนหน่อยของนั้นก็เข้าใจปฏิบัติน้า พอใจของ่ันรองรับอยู่แล้วปฏิบัติเอาประโยอะเดียวแต่รู้แต่เห็นบาง่ันบางองเพี่ยงตรงผมยังไม่เดืวกที่กรนาผมถูกตกไปในยินแ่านั้นแต่เป็นอาหะวาดอาหันนั่งเดืว่าพือขาดปฏิบปฏิภาสีปตาทิยญาปฏิบัติสะดวกรู้เลย ใ น, นเหมือนพวกเราพวกเราเคยที่นี่เจอมาเคยไยด้ยินได้ฟังมาเคยศึกษาเคยปฏิบัตแต่มันจะเป็นไปยากถึงยากเลยในเหลียววิสัยมันพยายามศึกษามันพ ย, ยายามติดตาม ย, ยากวางมือในเอาเท้าทำยากมันจะไป ง, ง, ง่ายเหนือเร้เหนืเราจะเสนอให้เป็นไปเหนือได้ยากก็ต้อ ง, งทำเพราะหน้าที่ของเรามี หนันคนเดินทางที่นี้ถูกขัดที่นี้กันบานแต่จุดหมายปลายทางเราอยากจะไปอยู่น้เห็นอ่ามันยากมันลำบากไม่ไปเราจะนึกอยู่ใจมันจะถึงไล่ได้ถึงก็ลำบากอุตส่าห์พยายามฝ่าหุ่ไป